เขียนของเรามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะคนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหาแต่ก็มีจานวนไม่น้อยที่เคารพนับถือท่านเมื่อท่านป่วยก็มาเยี่ยมมากราบท่านแล้วก็เมื่อท่านบรรลับภาพก็มีจานวนไม่น้อยที่ อาจจะไม่ค่อยได้ฟังธรรมจากท่านหรือว่าเป็นลกักษึกท่านโดยตรงนะแต่ก็มาคารวะศรีระท่านอา่อไม่เรียกว่าเป็นพระที่มีผู้คนนับถือมากไปแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นเกจิอาจารย์อา่าที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเพราะว่าหลวงพ่อท่านไม่ ท่านเน้นแต่เรื่องการสอนธรรมะโดยตรงเรื่องอิสริปฏิหารเรื่องการสอดอกเคราะห์หรือว่าการส่งครอบผู้คนในทั้งโลกจะนิดให้เกิดความมัง่งคั่งร่ำรวยอันนี้หลวงพ่อท่านเรียกว่าไม่เอาเลยนะแต่ก็ยังมีนังสือพื้บางแห่งก็พาดหัวว่า เกจิอาจารย์ชื่อดังมรณะภาพคือหมายถึงหลวงพ่อคำเขียนก็เรียกว่าท่านเป็นที่ยอมรับของคนวงกว้างสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์เว็บไซต์หลายแห่งก็ได้กระจายข่าวเกี่ยวกับเรื่องการละสังขารของท่าน แต่ว่ากว่าท่านจะมาถึงจุดนี้ได้นี่ก็เรียกว่าไม่ใช่ง่ายเลยนะสมัยที่ท่านขึ้นมาบนหลังเขาใหม่ๆหรือว่าต่อนเนื่องจากนั้นอีกหลายปีคนชอบก็มีคนชังก็เยอะเพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้สอนไม่ได้ปฏิบัติเหมือนพระทั่วไปตอนที่ท่านย้ายไป ถ้มาไฟหวานปี19เนี่ยอย่างแรกที่ท่านต้องทําคือการสู้รอกอบายมุกในการสู้รอกอบายมุกเนี่ยนะมันก็ต้องกระทบกับผู้คนวงกว้างคนที่ไม่พอใจก็เยอะที่เคยมากินเหล้าในวัดเล่นการพนันในวัดนะพอท่านไม่ให้ทําอย่างนั้นในวัดก็ไม่พอใจ เคยมีคราวหนึ่งหลวงพ่อชาวบ้านนั่นแหละคเขาเรียยหลายกันเลียนลายเพื่อจะทําบุญสร้างอะไรสักอย่างในวัดก็มีชาวบ้านหลายคนก็ไม่ยอมให้ก็บอกว่าในเมื่อมาเล่นไพ่ในวัดไม่ได้มากินเหล้าในวัดไม่ได้แล้วจะมาเอาเงินชั้นทําไมเขาก็ไม่ยอมจ่ายอันนี้ก็เรียกว่า ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทาเนี่ยมันผิดกลับไปโทษว่าสิ่งที่หลวงพ่อทําไม่ถูกต้องเพราะว่าผู้คนที่ทำรถไฟตอนนั้นเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างควาว่าถูกต้องกับถูกใจอะไรคือความถูกต้องไม่รู้นะรู้แต่ว่าอะไรที่ไม่ถูกใจเนี่ยก็จะไม่พอใจ หลวงพ่อไม่เพียงแต่สู้กับอบยาโมกที่ลุกเข้ามาในวัดนะแล้วก็ทั้งอบยาโมกที่อยู่ในหมู่บ้านเช่นการพนันการกินเหล้านี่หลวงพ่อท่านก็เอาใจใส่มากนะทั้งพูดทั้งเทศทั้งสอนแล้วก็บางครั้งก็ใช้ไม้แข็งงานไหนมีกินเหล้าสูบกินเหล้าเล่นการพนันมากบางทีท่านก็ไม่ไม่รับเลยแต่บางทีท่านก็ใช้วิธีอ่อนๆนะ มีกินเหล้าสูบบุหรี่หรือว่าสูบบุหรี่ไม่เท่าไหร่นะเล่นการพันนันกันบางทีหลวงพ่อท่านก็ไปชะ ง, ง้มองในหมู่บ้าน น, นนะะในบ้านชาวบ้านตอนหลังชาวบ้านเขาเก่งใจเพียงแค่เพียงแค่ท่านชะ ง, ง้อขอมองดูนี่เขาก็เก่งใจแล้วแต่ที่ไปมาถึงจุดนั้นได้นี่ท่านก็ต้องทําตัวให้เป็นที่ศรัทธานับถือชาวบ้านนะเรื่องอันหนึ่งที่ท่าน ต่อสู้มากคือพิธีกรรมที่งมงายเช่นการลดน้ำมนต์การสะดอกเคราะห์การขับไล่ผีปอบอะไรพวกนี้คนก็เรียกร้องคาดหวังจากท่านหรือว่าเวลาท่านนะไม่ไม่ส่งเสริมพิธีกรรมแบบนี้เวลาจัดงานในวัดนะก็ไม่ให้มีพิธีกรรมทํานองนี้นะที่มันงมงาย ชาว บ, บ้านก็ไม่เข้าใจที่ไม่ชอบกันเยอะนะเพราะคิดว่าไอ้ความงมงาย น, นั่นคือการได้บุญคือความได้ได้โชคได้ความสำเร็จสวนะงพ่อท่านก็ไม่เอามีจัดมีงานบุญนะท่านก็ไม่ให้เอาอมาหอศพมาก็มีพอประมาณนะแต่ว่าไอ้แพเย์หมอรำชกมวยนะอันนี้นะไม่ให้ไม่ให้เข้าวัดเลย ชาวบาก็ไม่พอใจอีกนะเพราะว่าเขาคิดว่าการทำเช่นนั้นแหละมันได้บุญหรือว่าอาจจะไม่ได้คิดว่าจะได้บุญแต่มันถูกใจ เ, เพราะว่าสมัยนั้นโทรทัศน์ก็ไม่มีความบันเทิงก็ไม่มีโอกาสที่จะมีความบันเทิงแบบนั้นจะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีงานศพนะหรือว่างานกระถิน่นมีหมอลำมี การใช้หนังการละเล่นซึ่งที่จริงก็สิ้นเปลืองมากนะสำหรับเจ้าภาพเนี่ยชาวบ้านก็อยากจนผู้คนก็พอใจอยากได้อยากเห็นอยากเสกจน่งพ่อก็ห้ามทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านจำนวนหนึ่งไม่ไม่พอใจนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่พูด แต่ที่มีแสดงความกระด้างกระเดืองไม่เข้าวัดไม่เรียกไม่ทําบุญให้ก็มีเยอะไม่ต้องพูดถึงการบนนะ่นแต่ก่อนชาว บ, บ้านนี่ไม่ได้เรียกว่าหลวงพ่ออมเกมียนบางเรียกพระอ้วนนะอยู่ที่นับถือนะก็เรียกหลวงพ่ออ้วนคํานี้ะเดี๋ยวนี้ก็หายไปแล้วแต่สมัยที่อาตม า, มาใหม่ๆก็ยังได้ยินคนพูดนะหลวงพ่ออ้วนพระอ้วน แต่ว่าพระอ้วนตรังก็หายไปเพราะท่านไปที่นับถือของชาวบ้านแนละแต่ว่าการสู้กับอบายมุกนะการสู้กับความงมงายเนี่ยจกนกระทั่งชาวบ้านเกิดศรัทธานี่เป็นเรื่องยากแล้วนะไอ้ที่ยากกว่านั้นคือการที่จะลบล้างความเข้าใจผิดและคตนะิของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพรหลวงพ่อท่านไม่ได้ทําเฉพาะเรื่อง ต่อต้านอบายมุกพิธีกรรมที่งมงายแต่ว่าท่านยังทำในสิ่งที่พระที่อื่นไม่ทำกันเลยนะหรือทำน้อยมากในเวลานั้นปีสองศูนย์สองหนึ่งนะก็คือการส่งคราชาวบ้านไม่ใช่เรื่องด้านพิธีกรรมเรื่องทางธรรมเท่านั้นแต่เรื่องทางโลกด้วยนะเรื่องแรกที่ท่านทาก็คือการเอาเด็กนะ เอาเด็กลูกชาวบ้านที่ตัวเล็กๆสองสามขวบนี่มาเลี้ยงที่วัดในระหว่างที่พ่อแม่เขาไปทไําไร่สมัยนั้นมันเป็นดงนะมันไม่ใช่เรื่องไร่มันเป็นดงนั่นเอาเด็กไปเข้าไปในดงมันก็เด็กตายก็มีนะท่านก็สงสารก็เลยเอาลูกเข้ามาแล้วก็เอามาดูแลแคือค่ายเป็นศูนย์เด็ก น, น, นะแต่ตอนนั้นท่านคง ไ, ไม่รู้จักคําว่าศูนย์เด็กด้วย ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามีตามเกิดเอาเด็กมาแล้วก็มีนมถั่วเลี้ยงให้กินมีข้าวมีข้าวเหนียวนะสมัยก่อนข้าวเหนียวมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มีแต่ปลาปลาแห้งตัวเล็กๆเอาไว้กินกลางวันแล้วก็ให้เด็กได้นอนบ้างแล้วท่านก็สอนทำบมาให้เด็กบ้างอันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะ แต่มันมีปัญหาขึ้นมาเพราะว่าทางการบ้านเมืองเนี่ยสงสัยว่าท่านทำอะไรอยู่ท่านต้องการทำอะไรทั้ง น, นี้เนื่องจากว่าช่วงปี20เนี่ยถึงปี2425ประมาณเนี่ยหรือหรือว่าเข้มข้นก็ช่วง2023ที่นี่มันเป็นเขตสีชมพู คงนะจำได้ว่าหลังหกตุลาเนี่ยมันมีนักศึกษาเข้าป่าเยอะแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์ก็เข้มแข็งก็ขยายพื้นที่มาที่เนี่ยหลังเขาเนี่ยก็เป็นเขตสีชมพูนะถ้าเพชรบุรีเขตสีแดงเลยนะเป็นเขตเรียกว่าเป็นฐานที่มั่นของเขาเลยก็ขยายพื้นที่มาที่เนะี่ยหลังเขานี่นั่นก็จะมีพวก คอมมิวนิสต์ฐานคอมมิสต์ปุนเปียนอยู่เป็นครั้งคราวทางการบ้านเมืองก็ระแวงสงสัยหลวงพ่อว่าท่านเป็นนาร่วมคอมมิวนิสต์เปล่าเพราะว่าทำอะไรไม่เหมือนพระทั่วไปโดยพอศูนย์เด็กเนี่ยเคยมีเจ้าที่อำเภอบางคนขึ้นมาแล้วก็พวกกบหลงพ่อว่าเนี่ยศูนย์เด็กอะไรมาตั้งอยู่บนเขาเนี่ยคือคือคร่าหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อเนี่ย กำลังสร้างกำลังเล่นการเมืองเล่นการเมืองในที่หมายเขาว่ากำลังสร้างสมัครพรรคพวกนะหาแนวร่วมจากชาวบ้านนะเพื่อมาเป็นกองกําลังสนับสนุนพวกคอมมิวนิสต์เนอะาผ้าวะเนี่ยที่หลวงพ่อมาสร้างศูนย์เด็กเนี่ยคือการเล่นการเมืองนะเพราะะนั้นก็มีความหวาดระแวงหรือมีความจ้องจับผิดนะแนมเพิร์เนี่ยแนมเพิร์แกล้งข้อนี่ถึงก็เคยประชุม เวลาตอนที่ประชุมนั้นก็พูดตำํำหนิหลวงพ่อพูดกล่าวหาหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อก็อายุแค่สี่สิบตนตนนะก็ยังถือว่าเป็นพระหนุม่มก็ว่าได้หลวงพ่อท่านก็รับรู้นะรับรู้มาโดยตลอดแต่ท่านก็ไม่ได้มีความเกลียดชังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่เคยตอบว่าเจ้าหน้าที่ไม่เคยตอบโต้เลยแล้วท่านก็ตระหนักว่าท่านก็อยู่ ในสภาพที่อยู่กลางเขาควายนะเพราะฝ่ายบ้านเมืองก็ระแวงหลวงพ่ออีกส่อีกด้านหนึ่งนะพวกคอมมิวนิสต์ก็ไม่ไว้ใจหลวงพ่อเหมือนกันเพราะว่าเป็นพระเนี่ยนะคอมมิวนิสต์นี่เขาก็ไม่ค่อยอไม่ค่อยไว้ใจพระว่ามีอะไรเป็นสายให้กับรัฐบาลหรือเปล่าล้าท่าเราว่าเนี่ยประมาณปีสองหนึ่งเนี่ย กลงดึกเนี่ยท่านนอนอยู่ที่ศาลาหลวงพ่อท่านไม่มีกุฏินะท่านนอนศาลาเป็นประจํามาตั้งแต่ไหนตั้ลายจนกระทั่งมาสุโกโตอัตมามาบวชกับท่านได้หลายปีก็ยังเห็นท่านนอนศาลาไก่ศาลาไก่รุ่นแรกนี่มันไม่ใช่แบบนี้มันเป็นศาลาโสมโสมนะก็ที่นอนหมอนมุงทําวัดก็ทกําตรงนั้นฉันก็ตรงนั้นแหละเป็นศาลาอเนกประสงค์ ไม่มีกุติส่วนตัวท่านก็นอนสล า, าไก่เนี่ยกลางดึกก็มีคนติดอวิครบมือประมาณสิบค น, นมาแล้วก็มีสามคนขึ้นมาหาท่านบนกุติที่แล้วท่านรึกว่าคงอาจจะตายได้นะก็ จ, จะมาฆ่าท่านทัานกทาน็ท่านก็คิดว่าเนี่ยจะมาฆ่าก็ฆ่าพร้อมเสมอ ไม่ได้วิตกอะไรแต่เพราะว่าเขาไม่ได้มามาทำ้ายท่านเ็าเพียงแต่มาพูดมาคุยนะเพื่อทงความรู้จักท่านและถือโอกาสโฆษณาชวนเชื่อไปด้วยก็คือตั้งใจจะเอาท่านเป็นแนวร่วมด้วยนะถ้าหากว่าท่านเป็นพระที่ไม่มีไม่ใช่สายรัฐบาลอันนี้ก็ทำให้ยิ่งทาให้พวกทางการบ้านเมืองนี้ระแวงท่านนะ เห็นพวกทหารป่าเข้ามาในวัดก็ไม่พอใจก็มีการใส่ร้ายท่านแล้วก็พลอยทำให้พวกผู้ใหญ่บ้านหรือพวกครูนะตอนนั้นมีโรงเรียนละโรงเรียนสี่สี่ชั้นนะปสี่ก็มีความหลงเชื่อแล้วก็เป็นปฏิปกกักษ์กับหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อก็ต้องพยายามทำความเข้าใจนะกับคนเหล่านี้ ถ้าไม่มีความเกลียดชังหรือว่าความรู้สึกกลัวนะปฏิกิริยาเหล่านี้เลยกับทหารป่านี่ท่านก็พูดเขาถึงขั้นว่าเนี่ยเขาสงสัยเราก็ดีเหมือนกันนะเขาจะได้รู้ว่าเราทําอะไรเพราะถเขาสงสัยเขก็ติดตามติดตามเก็รู้ว่าเราทําอะไรถ้าก็รู้ว่าเราทําอะไ ร, ร, ร, ะไรแล้วก็ก็จะเห็นว่าเราไม่มีอะไรนะที่น่ากลัวหลวงพ่อว่าท่านไม่มีอะไรปิดบังนะ คนที่ปิดบังต่งางๆที่ต้องวิตกนะว่าจะปิดได้มิดหรือเปล่านะแต่หลวงพ่อไม่มีอะไรเปิดเผยหลวงพ่อท่านไม่ได้อยู่แต่ในในบนหลังเขานะท่านก็มีกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมให้กับหมู่คณะอยู่เป็นประจำแล้วพวกฐานป่าคงอย่าสงสัยว่าท่านไปแจ้งข่าวให้เจ้าหน้าที่หรือเปล่าแต่ในเวลาเดียวกันพอท่านขึ้นมาบนหลังเขา่าท่านก็มา ทํกากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือชุมชนเป็นที่รักใคร่ของชุมชนเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านเขาก็ระแวงนะโดยเพราะไอ้ศูนย์เด็กเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการลิบเล่มของเจ้าหน้าที่คือรัฐบาลเนี่ยนะเจ้าที่เวลานั้ น, น, นเนี่ยอะไรก็ตามที่เจ้าหน้าที่ไม่รับรู้ด้วยเนี่ยเป็นการริบเล่มของชาวบ้านล้วนๆนี่เขาจะระแวงมากนะ จำได้ว่าตอนที่ขึ้นมาบนหลังเขาประมาณปีสองสามหรือไม่ทั้งปีสองหกเนี่ยก็ถึงกับมีชาวบ้านพูดว่าเนี่ยจะขึ้นมาวันนี้ได้ต้องแจ้งในอำเภอก่อนหรือว่าแจ้งผู้ว่าก่อนดูมันขนาดนี้เลยนะนยิ่งออกาเป็นคอมมิวนิสต์คือเขามีความระแวงคนหนุ่มสาวคนจากในเมืองซึ่งตอนนั้นก็เริ่มขึ้นมาช่วยหลวงพ่อทำศูนย์เด็กนะ ตอนแรกก็มีแม่ชีคนหนึ่งก่อนเป็นเพื่อนแล้วเขาก็มาบอกข่าวพวกเราก็เลยมาอุดหนุนท่านเพราะท่านทำทำโครงการแด่น้องผู้ยญิงห่หยช่วยเหลือเด็กยากไร้เด็กขาดอาหารในชนบทก็เห็นมีพวกคนหนุ่มสาวขึ้นมาเวลาชาวบ้านหรือเจ้าที่บ้านเมืองเห็นคนหนุ่มสาวเขาก็มองอย่างเดียวเป็นนักศึกษาคำ ว, ว่าหนุ่มสาวคำ ว, ว่านักศึกษาเนี่ยมันกลายเป็นคาแทนกันได้ทั้งที่ตอนนั้นพวกเราก็จบกันไปหลายปีแล้ว แต่เป็นพ่อยังหนุ่มอยู่มั้งเาก็เลยเึืนไเป็นนักศึกษาจะเป็นนักศึกษาก็คือพวกคอมมิวนิสต์พวกซ้ายก็มีคนระแวงแบบนี้มากนะแล้วก็มีครูใหญ่คนหนึ่งนะที่ที่ที่หลงเชื่อเจ้าที่บ้านเมืองแล้จะสูบเสริม ป, ประโยชน์จากงานที่หลวงพ่อทำในเรื่องการพัฒนาชุมชนเรื่องการทำสหกรณ์นะ เพราะตอนนั้นเนี่ยมีเงินเข้ามาพวกเราเนี่ยจัดทอดผ้าป่าข้าวขนข้าวขึ้นมาแล้วก็ขนผู้คนขนอะไรต่ออะไรขึ้นมาเนี่ยจากบนหลังเขาตอนนั้นไม่มีถนนต้องปิงขึ้นมาเป็นงานใหญ่ของหมู่บ้านเป็นการใหญ่ของหลังเขาคนห้าสิบกว่าคนได้เงินมาเป็นแสนแสนสมัยนั้นก็คือเป็นล้านสมัยเนี้สามสิบปีที่แล้ว แล้วก็บนหลังเขาแต่ก่อนก็ถินภาพภาพป่าก็ได้เป็นพันนีได้เป็นแสนมันก็เป็นเรื่องเป็นข่าวที่เผยแพร่กันทั่วไปบนหลังเขาพอมีเงินที่ได้มาเนี่ยนะก็ให้ถ้าให้ชาวบ้านดูแลหลวงพ่อท่านก็ดูแลอางห่างก็คงมีชาวบ้านจํานวนหนึ่งก็คิดว่าจะอาศัยประโยชน์จากไอ้เงินที่ได้เนี่ยก็มีการทุจริตอะไรกันต่างๆด้วยก็ไม่ทราบว่านะ ครูใหญ่คนนี้นี่มีส่วนร่วมร่วดแต่ก็ไม่พอใจหลวงพ่อตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กล่าวหาหลวงพ่อแต่ท่านก็ไม่ตอบโต้เลยนะคือถ้าศึกษาหลวงพ่อเนี่ยนะเราก็จะเห็นแบบอย่างของท่านหลายอย่างหลายคนก็พูดถึงเรื่องของการความอ่อนน้อมถ่อมตัวของหลวงพ่อความมีชื่อเสียงเรียบง่ายแต่สิ่งหนึ่งที่น่าเป็นบทเรียนคือการที่ท่านรับมือกับคนที่ มุ่งรายกับท่านเป็นคนที่คนที่เข้าใจผิดท่านท่านไม่มีความเกลียดไม่มีความโกรธคนเหล่านั้นเลยแม้ว่าเขาจะเล่นงานนั้นท่านนะใส่ร้ายทานข้างหลังนะความเมตตาของท่านนะมีมากแล้วก็ท่านก็มีความปรารถนาท่านก็มีความเรียกว่ามองคนในแง่ดีท่านเชื่อในความดีของคนนะว่าคนนั้นเปลี่ยนได้ที่สมคัญคือท่านเชื่อในอนุภาของธรรมะ คือท่านเชื่อว่าเนี่ยอย่างที่พระเจ้าสอนนะเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความตันหนี ด, ด้วยการให้เอาชนะความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธเอาชนะคําอัดสัตคาเท็จ ด, ด้วยคําจริงนะหรือคําสัต์ใครร่ายกับท่านมาท่านก็ไม่เคยร้ายตอบนะท่านก็ดีด้วยอาจจะมีแข็งบ้างนะแต่แล้วก็เพราประโยชน์ของชาวบ้าน เคยมีชาวบ้านคนหนึ่งเคยถูกท่านเคียนนะถูกท่านเคียนที่วัดเป็นเรื่องข่าวใหญ่เลยนั้นอยู่ที่สุขตะอ่าอยู่ที่ทม้ไฟที่ท่านเคียนก็เพราะว่าเขาเคยบอกหลวงพ่อว่าถ้าเขากินเหล้าเข้ามาในวัดให้หลวงพ่อเคียนได้เลยแล้วก็เคียนจริงๆแล้วก็เป็นครั้งเดียวนะที่ท่านทําอย่างนั้นแต่ท่านไม่ได้ทําด้วยความโกรธความเกลียดท่านทําด้วย้วความปรารถนาดีนี่นเป็นแบบอย่างในการที่ รับมือกับคนที่กล่าวหามุ่งร้ายใส่ร้ายท่านนักปฏิบัติธรรมบางคนปฏิบัติธรรมก็ดีนะแต่ว่ามีพรอมีคนมาต่อว่าพอมีคนม า, าตําหนิหรือว่ามีคนมาใส่ร้ายนี่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยหรืออาจจะด่าตอบใส่ร้ายตอบเรียกว่าคนละเรื่องเลยระหว่างการเป็นนักปฏิบัติกับการ กับการรับเหลือความขัดแยง้งแต่หลวงพ่อนี่เรียกว่ากลมกลืนนทั้งเรื่องการปฏิบัติและเรื่องการสัมพันธ์กับผู้คนไม่มีเส้นแบ่งนะไม่มเีเรียกว่ากลมกลืนถ้าเป็นการแยบก็ไม่มีรอยต่อเลยนะนักปฏิบัติตนธรรม ม, มันมีความขัดแย้งนะทางธรรมก็อย่างหนึ่งทางโลกก็แบบหนึ่งแต่หลวงพ่อนี่ทางธรรมกับทางโลกที่ไม่ได้แยกกันเลยเป็นอันเดียวกันเสมอกันารนะ ครูใหญ่คนที่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาก็ยอมแพ้ความดีของหลวงพ่อนะเขากเกษียณแล้วเขาก็มามานับถือหลวงพ่อมานะชื่นชมหลวงพ่อมากจนกระทั่งเขาตายจากไปแต่ว่าหลวงพ่อก็มีศัตรูนะมีคนที่มุ่งรายอยู่ไม่ได้ขาดเลยนะจนกระทั่งแม้กระทั่งปีสามสามสามสี่คราวนี้ไม่ใช่คนไกลที่ไหนก็เป็นเพื่อนร่วมสำนักนะ ก็ไม่พอใจท่านเพราะอาจจะเห็นว่าหลวงพ่อเป็นที่มีคนยกจ่องมากนะมีคนหนุ่มสาวมายกย่องมีหนังสือท่านของท่านพิมพ์กลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมตอนนั้นคุณวุฒิชัยยังอยู่คุณวุฒิชัยคือคนที่มีภาพอยู่ที่สาราน้ําะใครๆก็นึกว่าเป็นอตาตมานะัไม่ใช่คุณวุฒิชัยคุณวุฒิชัยในแก่สูง อ, งอตาตมาเยอะแล้วก็คนก็สร้างสาราน้ําเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับคุณวุฒิชัยซึ่งประสบปุบติเหตุ เมื่อปี30กุ้ชยชัยก็เป็นอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มอีกคนหนึ่งที่พาคนหนุ่มสาวมาปฏิบัติธรรมนะที่นี่แล้วก็พิมพ์หนังสือของท่านหนังสือของหลวงพ่อเนี่ยลองจากหลวงพ่ออัตเียแล้วนี่ก็คือหลวงพ่อคำเขียนนั่นแหละที่มีหนังสือธรรมะพิมพ์เป็นระยะระยะนะจนถึงปี33 34ก็มีพิมพ์6 7 8เล่มแล้วมั้ง แต่ครูบาอาจารย์คนอื่นไม่มีเลยนะแล้วก็ยิ่งหลวงพ่อยิ่งมีบางคนไปพูดทำนองว่าหลวงพ่ออวดว่าหลวงพ่อเป็นพระนักพัฒนาเขาก็ยิ่งอิจฉาเขาไปใหญ่ก็ไปพยายามที่จะมายึดวัดนี้โดยอ้างว่าเคยเป็นผู้บุตรเบิกหรือว่าโดยอ้างว่ามีเคลือข่ายกับชาวบ้านที่นี่นะ ตั้งใจจะมายึดวัดเลยด้วยความไม่พอใจอยากจะเอาวัดคืนนีหลวงพ่อไม่ใช่เป็นผู้บุกเบิกคนแรกนะไม่ใช่ผู้สร้างวัดนะที่เขียนกันที่เขียนกันตรงหน้าประตูเนะี่ยว่าหลวงพ่อมาสร้างวัดป่าสุกโตนี่จี่มันผิดนะแต่พ่อเขียนแบบนี้แหละทําให้พระพระที่เข้ามาบุกเบิกไม่พอใจฮะว่าหลวงพ่ออ้างเครดิตนะที่จริงคนอื่นเขียนทั้งนั้นแหละนะ หลวงพ่อไม่ได้เขียนเลยไปเขียนกันก็เลยไม่พอใจก็จะมาเอาคืนหลวงพ่อท่านก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปต่อลัตต์่อเถียงเขาอยากได้ก็มาเอาเลยทั้งที่ตอนนั้นหลวงพ่อนี่มาอยู่ที่นี่ได้เกือบสิบห้าปีแล้วเรียกว่าไอ้สุกโตตอนนั้นนี่มันเป็นผลงานของท่านเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แต่ท่านก็ไม่ไม่ไม่ต่อลัตต่อเถียงด้วย เห็นตรงกันนะตอนนั้นอาตมาก็อยู่หลวงพ่อก็มาให้เป็นเจ้าว่าหลวงพ่อเป็นเจ้าว่าที่วัดภูเขาทองก็ตกลงกันว่าเราเราย้ายดีกว่าแต่เรารู้ว่าอการย้ายนี่นะก็เป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาชั่วคราวพราะรู้ว่าในที่สุดเขาก็ต้องแพ้พ่ายตัวเองเพราะผู้วาก็แก้ปัญหาด้วยกันบอกว่าให้พรรษานั้นเนี่ยว่างพระไม่ต้องมีใครมาอยู่ นั้นปีสุกโตปีสามหกเนี่ยก็คือเป็นปีที่ร้างซึ่งก็ทำให้เกิดความเสียหายมากนะเพราะใครต่อใครก็มาตัดไม้บางมาจับปลาปลาตัวใหญ่ๆปลาจีนตัวใหญ่ๆ ห, หายไปเลยอาจจะหายไปก่อนนั่นนั้นแล้วช่วงปีสาสามถึงสมหอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นวิธีนะของหลวงพ่อนะในการที่จะรับมือกับคนที่มุ่งร้ายกับท่าน ท่านไม่คิดจะเอาผิดเอาถูกกับใครท่านไม่คิดจะยืนแล้วว่าเนี่ยไม่ได้เป็นท่านก็พยายามชี้แจงนะว่าไม่ไม่เป็นอย่างที่เขาพูดท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เขาก็ไม่เข้าใจแต่ว่าถึงเวลาท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะยืนยัดยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องว่าฉันถูกแกผิดเพราะฉะนั้นเนียฉันไม่ยอมวิธีนี้ไม่มีอยู่ในความคิดของหลวงพ่อนะเรื่องว่าความยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องแม้จะ มั่นใจว่าท่านไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ท่านก็ไม่เคยมีความยึดมั่นขนาดนั้นเพราะท่านรู้ว่าท่านยึดมั่นและสู้เนี่ยนะมันก็จะวุ่นวายกันเปนหมดพรรษาท่านพันศาคงจะไม่มีความสงบสุขแล้วก็ชาวบ้านก็จะแบ่งฝักเป็นพวกเป็นฝักเป็นฝ่ายท่านยอมถอยนะดีกว่าที่จะที่กว่าที่จะทําให้เกิดความวุ่นวายยึดมั่นถือมันในความถูกต้องแต่ไม่เกิดอะไรขึ้นเกิดความผลเกิดผลเสียมากมาย สิ่งนี้ท่านไม่ได้ท่านไม่ไ ด, ทไได้ท่านไม่ได้เพียงแต่พูดนะท่านทําให้ดูด้วยแล้วเวลาที่ที่ท่านาที่ท่าน อ, าอันตมาก็ได้เรียนรู้จากหลวงพ่อในเรื่องนี้ในเรื่องของการไปยึดมั่นในความถูกต้องจนกระทั่งเรื่องว่าถ้าไปยึดมั่นในความถูกต้องแล้วมันจะก่อความเสียหายอย่างไร เพราะฉะนั้นไม่ควรยึดมันในความถูกต้องจนกระทั่งมันเกิดความวุ่นวายกันมากเคยมีเหตุการณ์หนึ่งในะปีสองปปลายพรรษาแล้วตอนนั้นเป็นปีแรกที่มีพระมาจำมาสาเยอะมากเกิน10บแต่ก่อนไม่เคยมีพระเกินขนาดนั้นเพราะว่าที่นี่มันลำบากอัตคัดขาดแคลนก็มีพระมาจำม า, ากันเยอะแล้วก็มีพระจากภาคใต้มากันหลายรูป แต่ฝ่าภาษาเนี่ยพระกลุ่มนั้นเนี่ยก็เริ่มแตกคอกันนะแล้วก็ทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะทะเลาะ ก, กันเรื่องหนังสือพิมพ์ฝ่ายนึงเป็นคนฝากออกเงินซื้อนะให้โยมไปซื้อมาจากกรุงเทพอจากชัยภูมิแต่พอมาถึงแล้วเนี่ยคนเจ้าของเงินไม่อยู่พระ อีกรูปหนึ่งก็เลยเอาไปอ่านเอาไปอ่านแล้วก็เจ้าของเงินก็ไม่พอใจนะว่าฉันเป็นคนออกเงินอีกคนก็บอกว่าก็ฉันเห็นก่อนนะฉันก็อ่านก็ทะเลาะกันทะเลาะกันไปทะเลาะมาต่อยกันเลยนะต่อยกันเลยันเป็นเรื่องเป็นราวนะใหญ่โตในวัดหลวงพ่อเมื่อทราบเหตุการณ์นี้เนี่ยท่านแทนที่จะ ตัดสินว่าใครผิดใครถูกเนี่ยท่านก็กลับคู่ว่าเนี่ยมันอย่าไปเอาผิดเอาถูกเลยนะท่านก็สอนพระด้วยทั้งทั้งคู่กรณีเนี่ยว่าเอาผิดเอาถูกกันไม่ได้นะถ้ า, าผิดเอาถูกเมื่อไหร่มันก็จบลงด้วยการทะเลาะบบาแหวงกันหรือถึงขั้นใช้กําลังกันท่านก็พูดให้เป็นข้อคิดนะเพราะฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าฉันถูกแกผิดอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าฉันผิดอาฉันถูกแกผิดแล้วก็ ตกลงกันไม่ไดนะ้ตอนนั้นก็ใกล้ใกล้ออกพรรษาล้อีกวันสองวันเท่านั้นเองนะในสุดเขาก็ได้คิดนะได้สติแล้วก็พอถึงวันปรารณาก็มาล้อมวงล้อมวงมีปรารณาตามประเพณีนะ้แล้วก็กลางคืนก็มีการมาล้อมวงกลาง คล้ายๆทำนองแคมป์ไฟจุดไฟอยู่ตรงกลางล้อมกองไฟนั่งล้อมกองไฟอยู่หน้าสาระไก่ทั้งวัดเลยนะก็คือทั้งพระทั้งโยมแล้วก็พระทั้งสองนี้ก็กล่าวขอโทษหลวงพ่อกล่าวขอโทษคณะสงฆ์แล้วก็คืนดีกันหลวงพ่อไม่ได้บอยเขาคืนดีนะแต่เป็นแต่ให้เขาให้เขาเพื่ให้เขาคิดนะว่าจะ่าไปเอาผิดเอาถูก ในสุดพรรษานั้นก็จบลงด้วยดีนะก็มีร้องห่มร้องไห้กันไปหลายคนนะเพราะว่าศรัทธาแล้ว่าปิติที่ทุกอย่างจบลงด้วยดีอันนี้ก็เป็นวิธีการของหลวงพ่อนะในการจัดการความขัดแยง้งนะาไม่าไม่ได้คิดเหมือนคนทั่วไปหรือคนในเมืองว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วนี่มันต้องชี้ผิดชี้ถูกนะท่านบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แลนะฝ่ายหนึ่งถูก มันก็เกิดสัตว์ฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่ผิดถูกตัดสินว่าผิดก็ไม่ยอมนะไม่ยอมมันก็ไม่มีความคืนดีกันท่านมองข้ามความถูกความผิดไปสู่ความคืนดีความสมัครคีกันมากกว่าถูกผิดแต่ทะเลาะ ก, กันมีประโยชน์อะไรถูกผิดแต่กินใจกันไม่มีประโยชน์แต่ทุกวันนี้เนี่ยในหมู่คนทั่วไปแม้กระทั่งผัวเมียส า, ศ า, ศามีภรรยาเนี่ยเวลาทะเลาะ ก, กันเห็นไหมว่าที่มัน ลงกันไม่ได้เพราะต่างฝ่ายต่างเอาผิดเอาถูกต่างพยายามยืนยันว่าฉันถูกแกผิดอีกฝ่ายนี้ก็แกผิดฉันถูกและถึงแม้จะมีคนมาตัดสินว่าเออสามีถูกภรรยาผิดหรือว่าภรรยาถูกสามีผิดแล้วมันช่วยทําให้คืนดีกันได้ไหมความกินแหนงแคลงใจก็ยังมีอยู่แต่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อทําเนี่ยนะมันก็ทําให้เป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นว่า การแก้ปัญหาความขัดแย้งหลายอย่างเนี่ยเอาถูกเอาผิดไม่ช่วยเลยโดยเพราะในหมู่คนใกล้ชิดกันเนี่ยมันต้องก้าวข้ามนะก้าวข้ามจุดนั้นไปให้ได้แล้วเมื่อท่านเจอกับเองกับตัวอย่างที่เล่าเนี่ยท่านก็ท่านก็ทําให้เราเห็นว่าถ้าไม่ได้แค่สอนนะท่านทําให้ดูด้วยก็คือว่าถึงเวลาจะแพ้ถึงเวลาจะถอยก็ถอยนะทําให้เรารู้ว่าแพ้เป็นภาชนะเป็นมารนะแล้วตอนหลังเนี่ย เขาก็อยู่ไม่ได้นะปีสามเจ็ดนี่อาตมาก็ต้องกลับมาฟื้นฟูภูหลงต้องมาช่วยกันขัดถูสาลากันใหม่มีพระมากันแค่สองรูปนะสุกโตมาฟื้นกันใหม่มีพระแค่สองรูปนะแล้วก็มีโยมหนึ่งคนแค่นั้นเองหลวงพ่อตอนนั้นท่านยังเปลี่ยนตัวมาไม่ได้ท่านอยู่ท่ามาไฟแล้วก็ค่อยมีพระเพิ่มมาพระขึ้นพรรษาปีสามเจ็ดก็มีพระพระหกเนนหนึ่ง นะก็เรียกว่าเริ่มต้นเกิดจากศูนย์นั่นใหมนะ่แต่ว่าก็ไม่มีอะไรที่ร้ายแรงและทุกอย่างก็จบลงด้วยดีนะพวกที่ถูกชาวบ้านไล่ก็ก็ไปอยู่กันนะในในท้องที่ตามวัดของตัวนี่คือบทเรียนนะคือสิ่งที่เราสิ่งตั้ยตัวตมมาแล้วก็ลุกสิทธิ์ได้เรียนรู้จากหลวงพ่อนะในเรื่องของการ จัดการความขัดแย้งนะนะท่านไม่ได้เพียงแต่สอนธรนะระดับโลกุตตะนะจุดเภทที่เรียกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะประเภทที่เรานเหนือทุกพ้นทุกนะแต่ว่าในขณะที่ยังอยู่ในโลกนะท่านก็สามารถจะเอาธรรมะขั้นพื้นฐานเนี่ยในเรื่องความเมตตาในเรื่องของการไม่ยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องนี่มาใช้เพื่อแก้แก้ไขความขัดแยง้ง กับชาวบ้านก็ดีหรือว่ากับคณะสงฆ์ก็ดีหรือว่า ก, กับที่หมู่มิตรเพื่อนสหายที่เราศึกษาเลือดก็ดีนะเรื่องเหล่านี้เนี่ยคนไม่ค่อยได้รับรู้แล้วเพราะว่าหลังจากที่มาอยู่ส่วนใหญ่พอมาสุกโตก็เป็นช่วงที่สงบราบเรียบแล้วหลวงทอปหลวงพ่อท่านก็เป็นที่ยอมรับของผู้คนแล้วแต่หลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่าก่อนจะมาถึงจุดนั้นนี่ท่านต้องรับมือกับคนที่มุ่งร้ายหรือคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่านใ้อย่างไรนะ อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นประวัติช่วงหนึ่งของหลวงพ่อที่ควรจะรับรู้ไว้นะว่าท่านมีความเป็นมาอย่างไรนะก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้ช้านี้ก็พูดกันเท่า น, นี้กราบครบ